สวัสดีค่ะท่านฟังที่ครบรค่ะได้เวลาของรายการสรรสนีสนทนาที่ต้องบอกว่าในช่วงปี 2,553 ทางสถานีวิทยุ FM 106วิทยุครอบครัวข่าวแล้วก็สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติเราภูมิใจเสนอนะคะการที่จะให้ท่านนอกเหนือจากได้เข้าอกเข้าใจในคำสอนของพระพุทธองค์ที่เราศึกษากันมาจากพุทธวจนะ ธรรมวินัยจากพุทธโอษ์ผ่านทางพระคุณเจ้าที่มีปฏิปทาในด้านของพุทธวจนะธรรมวินัยจากพุทธโอษกันนี้แล้วก็จะมีการให้ท่านได้ปฏิบัติธรรมไปพร้อมๆกับฟังพระสูตรด้วยด้วยการนำของพระมาร์ชาคาวโรวัดนาป่าพงลำลูกาคลองสิบที่ท่านจะได้พบต่อไปนี้ค่ะน้อมสักการะท่านค่ะเจริญพรวันนี้เราก็มาปฏิบัติทําความเพียรเผาเกล็ดด้วยการนั่งสมาธิกันต่อ แล้วก็วันนี้จะอ่านประสุทธ์เกี่ยวกับการที่เรามาสํารวมสมวรตาหูกจมูกลินกายใจให้ฟังอีกประสุทธ์หนึ่งถ้าพร้อมแล้วเราก็เริ่มได้เลยถ้ามีสติรู้อยู่กับลมหายใจากจิตไปคิดในอดีตในอนาคตความสุขความทุกข์ก็ให้รีบลักความคิดนั้นเสียรีบลักความเพลินแล้วมีสติอยู่กับลมหายใจ หรี อ, อรบทต่างๆของกายพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงตรัสสอนเรื่องของการสำรวมสังวรไว้โดยท่านตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้มีสังวรนั้นเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้เมื่อเห็นรูปด้วยตาฟังเสียงด้วยหูดมกลิ่นด้วยจมูก นิ้มรดด้วยลิ้นสัมผัสโวดพระด้วยกายรู้ธรรมอารมณ์ด้วยใจก็ไม่สยบอยู่ในอารมณ์ที่น่ารักไม่เครียดแค้นในอารมณ์อันไม่น่ารักเป็นผู้ตั้งไว้ซึ่งกายะคตาสติมีจิตไม่เลื่อนลอยตามอารมณ์ภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนบุรุษจับสัตว์หชนิดอันมีที่อยู่อาศัยต่างกันมีที่เที่ยวหากินต่างกันมาผูกรวมกันด้วยเชือกอันมั่นคงคือเขาจับงูมาผูกด้วยเชือกเหนียวเส้นหนึ่งจับจระเข้จับนกจับสุนัขบ้านจับสุนัขจิ้งจอกจับลิง มาผูกด้วยเชือกเหนียวเส้นหนึ่งเส้นหนึ่งครั้นแล้วนำไปผูกไว้กับเสาเื่อนหรือเสาหลักอีกต่อหนึ่งภิสษุทั้งหลายครั้งนั้นสัตว์ทั้งหชนิดเหล่านั้นมีที่อาศัยและที่เที่ยวต่างๆกันก็ยื้อแย่งชุดหนึ่งกันเพื่อจะไปสู่ที่อาศัยและที่เที่ยวของตนของตน งูจะเข้าจอมปลวกจะระเขะจะลงน้ำนกจะบินขึ้นไปในอากาศสุนัขจะเข้าบ้านสุนัขจิ้งจอกจะไปป่าช้าและลิงก็จะไปป่าเพกสุทั้งหลายในการดแลความเป็นไปในภายในของสัตว์ทั้ง6ชนิดเหล่านั้นมีแต่ความเมื่อยล้าแล้วในการนั้นมันทั้งหลาย ก็จะพึงเข้าไปยืนเจา้านั่งเจา้านอนเจา้าอยู่ข้างเสาเขื่อนหรือเสาหลักนั้นนั่นเองข้อนี้ฉันใดภิกษุทั้งหลายภิกษุรูปใดได้อบรมกระทําให้มากในกายะคตาสติแล้วตาก็จะไม่ฉุดออกภิกษุนั้นไปหารูปที่น่าพอใจ รูปที่ไม่น่าพอใจก็ไม่เป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยักขย้งหูก็จะไม่ฉุดเอาพิกสุนั้นไปหาเสียงที่น่าฟังเสียงที่ไม่น่าฟังก็ไม่เป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยักขยั้งจมูกก็จะไม่ฉุดเอาพิกสุนั้นไปหากลิ่นที่น่าสุดดม กลิ่นที่ไม่น่าสุดดมก็ไม่เป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยักขย้งลิ้นก็จะไม่ฉุดออกภิกษุนั้นไปหารถที่ชอบใจรถที่ไม่ชอบใจก็ไม่เป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยักขย้งกายก็จะไม่ฉุดออกภิกษุนั้นไปหาสัมผัสที่โยโยวนใจ สัมผัสที่ไม่ย่อหยวนใจก็ไม่เป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยักขแยแงและใจก็จะไม่ชุดเอาภิกษุนั้นไปหาธรรมมารมที่ถูกใจธรรมมารมที่ไม่ถูกใจก็ไม่เป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยักขยงแ ง, ข, ย ข, ยงข้อนนี้ก็ฉะนั้นเหมือนกันภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้มีสังวรเป็นอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายคำว่าเสาเขื่อนหรือเสาหลักนี้เป็นคำเรียกแทนชื่อแห่งกายคตาสติภิกษุทั้งหลายเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้พวกเธอทั้งหลายเพ่งสำเนกใจไว้ว่า กายคตาสติของเราทั้งหลายจะเป็นสิ่งที่เราอบรมกระทำให้มากกระทำให้เป็นยาณเครื่องนำไปกระทำให้เป็นของที่อาศัยได้เพียนตั้งไว้เนือ ง, งเพียนเสริมสร้างโดยรอบคอบเพียนปรารบส ม, ม่าเสมอด้วยดีดังนี้ภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายพึ่งสำเหนียกใจไว้อย่างนี้แหละวันนี้เราก็ ได้ประพฤติปฏิบัติมาแล้วก็รู้จักคําว่ากายคตาสติคือการที่เราสำรวมสมวรตาหูจมูกลินกายใจแล้วก็ปฏิบัติมาได้สมควรแก่เวลาก็ค่อยๆออกจากสมาธิแล้วก็ผ่อนคลายอิีิบทตได้แล้วก็มาปฏิบัติกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะนมสักการขอบพระคุณพระมาร์ชาคาวโรไว้นาฬกาดนี้นะคะท่านฝั่งขานั้นก็คือพระมาร์ชาคาวโรแห่งวัดนาป่าพงลำลูกกาคลองสิทนะคะ ซึ่งในตอนนี้ท่านก็ได้ น, นําหนังสือพุทธวจนะอาณาปานาสติโดยพระตถาคตที่คณะสิทธิ์ของพระอาจารย์คึกฤทธิโสธิพโลแห่งวัดนาป่าพงได้ร่วมใจกันทําขึ้นโดยผู้ที่รวบรวมนั้นนะคะก็ได้เขียนคํานําเอาไว้ว่าจัดได้ว่าเป็นหนังสือที่มีความสําคัญอันดับแรกของโลกเล่มหนึ่งเพราะว่าจะสามารถพาเราไปสู่วิมุตติหลุดพ้นได้และที่สําคัญนะคะก็คือการที่เราจะได้ศึกษาจากพระพุทธวจนะ เรียนรู้ข้อมูลที่ถูกต้องไปเลยตั้งแต่แรกส่วนผู้ที่เข้าใจผิดไปก่อนแล้วก็จะได้อาศัยเป็นแผนที่เพื่อหาทางกลับสู่มัรกที่ถูกได้เราแจกกันวันละเล่มค่ะทีวีทีวีเอนี่แหละนะคะหมายเลขโทรศัพท์0 2 2 6 9 0 0 0 6ติดต่อกันเข้ามาค่ะพักสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวไปพบกับพระอาจารย์ภัยบูลอภิปุนโนค่ะ